ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจของผู้นักถือพระพุทธศ า, าสนาด้วยความลงใจเชื่อเหตเชื่อผลตามหลักธรรมที่พระ อ, องค์ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำขนาดใดที่จิตใจของเราห่างหือจากศาสนาเราจะเห็นผลหรือเห็นโทษแห่งความห่างหินนั้น โดยลำดับลำดับนับแต่ ม, มากนับแต่น้อยจนถึงมากขนาดใดหรือระย ะ, ะ, ยะใดจิตใจเรามีความเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาคือมีธรรมเป็นเครื่องระลึกอยู่เสมอภายในจิตใจสิ่งที่เป็นพิกเป็นภัยก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้จิตใจย่อมมีความนุ่มเย็นเป็นสุข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 คือความจริงหรืเหตุผลอันเรื่องความรักตนนั้นใครก็รักแต่การเข้าตนนั้นเข้าไม่ได้คํานึงว่าถูกหรือผิดจากเหตุหรือผลจึงเป็นความผิดสําหรับการเข้าข้างตัวอเป็นนิสัยแม้แต่สัตว์ก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีสิ่งที่ขัดแย้งต่อธรรม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 รับความไม่ถูกนั่นเองจะอาจจะระบาดไปให้คนอื่นรับความเดือดร้อนด้วยนี่ทีนี้ความรักตนสำหรับเราเองก็เช่นเดียวกันความรักตนในสถานที่นี้หมายถึงศีลธรรมเป็นหลักเป็นจันรสารภายในจิตใ จ, จคือเหตุผลนั่นแหละเป็นหลักใจเอาหลักเหตุผลเข้าเป็นหลักใจ อันใดถูกอันใดผิดเราคำหนึงเสมอและพยายามดําเนินให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลคือความถูกต้องยีงงามนั้นยากลําบากเราไม่ต้องไปถือสําคัญยิ่งกว่าความถูกต้องดําเนินไปตามนั้นจนมีความเคยชินเมื่อมีความเคยชินแล้วอเรื่องความอยากก็ไม่สามารถที่จะมากาั้นกลางหวงห้ามหรื อ, อกีดกานเราได้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 แสดงออกทางในย่อมสอถึงใจผู้บงการเสมอเพราะนั้นใจผู้บงการจึงควรจะได้รับการอบรมที่ถูกต้องดี ง, งามเพื่อจะระบายออกในทางที่ถูกผลที่ที่ย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวของเราจึงจะเป็นความร่วมเย็ยนศา ส, สนาจึงเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้ความร่มเย็ยนเป็นสุขแก่ผู้ประพริปฏิบัต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 ให้ิดอยู่เฉพาะแง่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเช่นคำบริกรรมเป็นต้นเมื่อจิตได้รับความย่อมเย็นเช่นนั้นกับคําว่าธรรมนั้นเราไม่ต้องไปถามความร่มเย็นนั่นแหลคือธรรมฝ่ายผลการระมัดระวังนั่นแหลคือธรรมฝ่ายเหตุ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 ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชหรือฆราวาสมีความรู้ดีรู้ชัวมีความโงค่ความฉลาดเช่นเดียวกันจิตจริงไม่ยอมเพศแล้วธรรซึ่งไม่ยอมเพศด้วยแล้วก็เข้ากันได้อย่างสนิทธรมเมื่อได้เข้าถึงจิตจิตย่อมแสดงความแปลกประหลาดภายในตัวเองให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนรู้ได้อย่างชัดเจนเมื่อทํากับจิต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 จะให้เกิดเป็นความอศัศจรรย์ตนเองนี้ไม่ปรากฏนอกจากเป็นความดีใจภูมิใจไปบ้างช่วการช่วงเวลาเท่านั้นแต่เมื่อทมเข้าถึงใจของผู้ปฏิบัติย่อมปรากฏเป็นความอศัศจรรย์ขึ้นมาอย่างชัดเจนภายในตัวเองที่ไม่ดได้คาดได้ฝันว่าทาไมความอศัศจรรย์อย่างนี้จึงปรากฏขึ้นมาได้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 จนไม่มีเวล า, เ, วลาเลยเต็มไปหมดร้านค้าร้านอัศจรรย์้านนั้นนั่นนหะร้านอัศจรรย์คือร้านค้าของจิตนีน่ของจิตที่อัศจรรย์เราพูดเพียงแค่นี้โลก ก, ก็กระเทือนไปหมดแล้วว่าจะต้องมาซื้อถ้าเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันได้เช่นสินค้าทั่วๆไปขายก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้น และสินค้าประเภทนี้จะไม่มีข้างร้านเลยเดียวๆหมดหมดหมดจนกระทั่งจะขนมาจับจ่ายขายไม่ทันเพราะโลกหิวก็หายความสุขความเจริญความสมรักสมหมายมาเป็นเวลานานไม่ทราบวากิกลับ ก, กันถ้าพอนับกันได้ไม่เคยประสบพบเห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ธรรมชาติที่เป็นความสุขความเจริญเลยแต่ได้มาเห็นจะแล้วทาไมจะทนได้หระ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 สินค้าแห่งปัญญาซึ่งเป็นสิ่งประดับจิตใจดวงนี้มีความแพรวพราวสง่าผ่าเผยสว่างสวยทั้งภายในก็มีความผ่องใสแสดงออกมาก็แผวพราวแสงอันใดที่จะมีเป็นแสงสว่างที่นิ่มนวลที่อัศจ ร, รย์ยิ่งกว่าแสงสว่างภายในจิตภายในธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่มีในโลกทั้งสามนิ นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งร้านนี้หละคนจะรุมมากยิ่งกว่าร้านที่แรกสินค้าประเภทนี้จะถูกรุมมากยิ่งกว่าสินค้าประเภทที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้นอสินสินค้าประเภทที่สามจิตมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีสติปัญญารอบตัว สว่างสวัยทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนหมุนตัวอยู่ด้วยธรรมจักสงอาภาพเผยสว่างกระจ่างแจ้งทั่วโลกดินแดนเพียงขนาดนี้ก็สว่างกระจ่างแจ้งไปทั่วโลกดินแดนแล้วแม้จะไม่เป็นภูมิคต่ า, ามนี่สินค้าประเภทที่สามนีม่โลกจะรุมกันถ้าธรรมดามเหมือนอย่างโลกทั้งหลายนะเขา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 สินค้าประเภทนี้กระเทือนทั่วโลกกระทากทีเดียวแม้แต่อยู่ศัต ย, ยู่ใต้ดินหรือนรกอเวจีก็ถ้าพร้อมมาได้จะเพ่นขึ้นมานารกแตกเป็นไระจะว่างไงเพราะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือโลกหนือสงสารนี่อำนาจของจิตความสงาาพพ่าผ่าเผยความมีคุณค่าของจิต เป็นสิ่งที่ชนะได้ในโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นทำจึงเหนือโลกโดยประการทั้งปวงทางร ถ, ถงทางธรรมก็ชนะรถทั้งหลายแน่ฟังสิไม่มีอะไรที่จะเหนือร ถ, ถทางธรรมได้ถ้าหากว่ารถไม่เหนือธรรมธรรมจะอยู่ครองโลกได้อย่างไรคนจะเป็นนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือธรรมได้อย่างไรนี่เรื่องความอัศจรรย์เป็นชั้นๆ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 เพราะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิพิเศษจุดที่ศักดิ์สิทธิพิเศษนั้นมีแต่ของเลอะเทอะเปอะเปื่อนเต็มไปหมดอยู่ภายในจิตมองดูแล้วมันเหมือนกองมูดกองคูดทั้งๆที่ธรรมชาตินั้นก็อยู่ภายในนั่นแหละนี่คืออะไรคือกกเละซึ่งเป็นสิ่งสมมมันครอบรเสียหมดจึงเรียกว่าจิตมันเตอะมันเ ป, นเปื้อน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 แล้วกาจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยลาดับลาดับจิตใจของเราจะค่อยจะค่อยๆแสดงตัวออกมาถ้ากว่าเป็นบ้านก็จะถูหน้าต่างออกมาให้มองเห็นหน้าบ้างทูออกมาบานประตูให้มองเห็นบ้างไม่ถูกปิดไว้อย่างมิดชิตจนมองหาตัวไม่เห็นเลยทั้งทั้งที่คนก็อยู่ในบ้านนั้นนี่ก็ทั้งทั้งที่จิตก็อยู่ในที่นี่แต่ถูกกิเลสปิดบังไว้หมด มองหาธรรมชาติที่จักดิ์สิทธิเศษจนไม่มีเลยกลายเป็นคนหมดคุณค่ามูลาค่าไปหมดทั้งๆ ท, ท, ที่คนคนนั้นเป็นคนสาคัญคนหนึ่งจิต ด, ดวงนั้นเป็นจิดสําคัญดวงหนึ่งที่หาความสาคัญไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่ไม่มีความสําคัญอะไรเลยนี่แหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังนี่อันนี้แหละที่ทําให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนมุนย่ยไหวไม่ใช่อื่นใด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 นี่เราอย่าไปตําหนิโทษอันใดอย่าไปตําหนิโน้นอย่าไปตําหนินี้อย่าไปตําหนิอํานาจวา ส, สนาของเจ้าของให้ตําหนิสิ่งนี้สิ่งที่พาให้ทุกข์ร้อนคืออะไรนี่แหลคือตัวกิเลสนี่แลคือตัวพิษ ต, ตัวภัยสำหรับเราว่าสนาไม่ใช่เป็นตัวพิษเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสนับสนุนเราให้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราได้มีความสนใจไข่ต่อศาสนา ให้ น, นับถือพระพุทธศาสนานี่เป็นตัววาสนานตัวกิเลสตัวเป็นคิดเป็นภัยนี้คือตัวค่าศึกของศาสนาของวาสนาให้เราแก้ที่ตรงนี้อย่าไปแก้ที่อื่นถ้าแก้ที่อื่นแล้วก็จะเหมือนกับไปเกาในสถานที่ไม่ขันแล้วจะทําให้ถลอกปอกเปิ่นเปลือยโสมกกแล้วเจ็บปวดเป็นแผลขึ้นมาได้เพราะเกาไม่ถูกจุกที่ขัน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 สิ่งตัดทอนความดีทั้งหลายออกออกจนหมดไม่มีภายในพระไท่จึงสมนามว่าเป็นาศาสานาาแท้นะมันจะสาวซาดาทั้งทั่งคือีกิเลโส ม, มมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเป็นาศาสดา ห, หรือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์เพราะสิ่งจระกปรกทั้งหลายนั้นได้หมดไปจากพระไท่สาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง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 ว่าเป็นของอัศจรรย์มากน้อยเพียงไรภายในใจของตนในระหว่างขันกับกิจเราจะได้เห็นชัดๆว่าขันตั้งห้ามีรูปประขันเป็นต้น<ม>ก็เหมือนกับร้านค้า<ม>ใจที่จงคุณธรรมไหมโดยตามขั้นภูมิของตนก็เป็นเปรียบเหมือนกับสินค้าตามขั้นแห่งสินค้าที่ตนมีคุณค่ามากน้อยภายในใจเพียงไร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 ภายในจิตใจทอดเชื่อแห่งภัยไม่มีนี่เขาเรียกว่าตลาดอัจจัรย์หรือสินค้าอัจจัรย์นั่งอยู่ก็คลองสินค้าอัจจรรันท์นี่อยู่เดินไปไหนก็คลองสินค้านี้อยู่ก็คลองตายไปแล้วก็คลองสินค้าอันนี้แหละไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถอํานาจวาสนามากกดขี่บังคับหรือแย่งชิงเอาสินค้าประเภทอัจจรนท์ของเราซึ่งเป็นสมบัติของเราแค่นี้ไปได้ น, นั่นจึงขอให้พากันพยายามชำระสิ่งสกรปรกทั้งหลายภายในจิตใจซึ่งเป็นสินค้าอันประเสริฐของเรานี้ให้หมดไปหมดไปให้เหลือแต่ทองทั้งแท่งให้เหลือแต่ทาคแท้คือมนุธาตที่บริสุทธิ์แท้นั่นแหละคือแดนแห่งความสงบัง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 ให้จิตพิณิพิพจนานาให้จิตรับทำนี้ไว้ประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองออกจากจิตเสียเองแล้วจิตก็เป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ท, ที่อยู่ในโลกนี่แหละท่านผู้ประเสริฐไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเหาะเหินเดินฟ้าขึ้นไปที่ไหนจึงจะประเสริฐยู้เฉยๆธรรมดาเหมือนโลกก็ประเสริฐเพราะประเสริฐที่จิตไม่ประเสริฐในที่อื่นใดขอเรีนยนลำพิณิพิจารณาการแสดงธรรมขอเห็นมาสมควรจึขอฤติเสเพี่ยนทางนี้